สามสิบสองทุกเป็นของที่ควรรู้รอบวงเล็บเปิดสิบมีนาคม2551ันห้าห้าสิบเอ็ดในวงเล็บหนึ่งจุดจุดนาทีสิบปวงเล็บปิดภาษาไทยเราบางทีแปลคำภีออกมาแล้วเพี้ยนอย่างเราบอกว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดทุกขังอริยสัจจังปรินยเอ ย, ยยังขีดทุกให้กำหนดรู้ปิดเครื่องหมายคำพูดคนไทยชอบมาแปลอย่างนี้มีคาว่ากาหนด กำหนดนี่เป็นคำเกินนะเครื่องหมายคำพูดเปิดทุกขังอริยสัจจังปรินเยยยังปิดเครื่องหมายคำพูดถ้าแปลตรงตัวต้องแปลว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดทุกเป็นของที่ควรรู้รอบปิดเครื่องหมายคำพูดไม่มีคำว่ากำหนดหรอกบางทีเราแปลคำพีเพลินไปแล้วเอามาปฏิบัตินะไปปฏิบัติตามที่แปลมาผิดๆเราก็เลยไปคอยบังคับกายบังคับใจไปเรื่อยๆ ความจริงแล้วกายกับใจคือกองทุกขหน้าที่ต่อทุกข์คือการรู้รอบในเคร saber, Pepper, ื่องหมายคํา <zum> พูดรู้รอบแปลว่าอะไรคือรู้ด้วยสติกับรู้ด้วยปัญญาเรียกว่ารู้รอบรู้ด้วยสติหมายถึงว่าอะไรปรากฏขึ้นในกายรู้สึกอะไรปรากฏขึ้นในจิตรู้สึกคือรู้ถึงความมีอยู่ของกายของใจอันนี้รู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญาคือเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์นี่เรียกว่ารู้รอบรู้ด้วยสติรู้ด้วยปัญญา แต่ถ้าแปลว่าทุกข์ให้กำหนดรู้แล้วก็กำหนดกันลูกเดียวเลยใจก็จะแน่นๆนทื่อๆแข็งๆขึ้นมาเนี่ยเราไปแปลผิดนะแล้วเราก็เอามาปฏิบัติมันเลยผิดไปในสติ ป, ปัฏฐานลองดูสิมีคำว่ากำหนดที่ไหนไม่มีเราไปแปลให้มันคลาดเคลื่อนไปเองอย่างท่านสอนเครื่องหมายคำพูดเปิดดูก ร, ราพิสุทั้งหลายเมื่อหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวปิดเครื่องหมายคาพูด ท่านไม่ได้บอกว่าภิกษุทั้งหลายจงกำหนดลมหายใจท่านบอกเครื่องหมายคำพูดเปิดภิกษุทั้งหลายหายใจออกยาวรู้ว่าหายใจออกยาวหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวปิดเครื่องหมายคำพูดกิริยาคือรู้ไม่ใช่กำหนดในเครื่องหมายคำพูดรู้กับในเครื่องหมายคำพูดกำหนดไม่เหมือนกันกำหนดเป็นภาษ า, ขามเขมรมาจากคาว่ากดกดข่ม หลวงพ่อเคยถามอาจารย์ที่ท่านเก่งบาลีว่าคําว่าในเครื่องหมายคําพูดกําหนดนี่ภาษาบาลีควรจะใช้คําว่าอะไรท่านบอกว่าคือคําว่าธรรมะแปลว่าข่มคนละเรื่องเลยนะในสติปัฏฐานไม่มีคํานี้นะท่านสอนบอกว่าเครื่องหมายคําพูดเปิดภิกษุทั้งหลายเมื่อยืนอยู่ก็รู้ชัดว่ายืนอยู่นั่งอยู่ก็รู้ชัดว่านั่งอยู่ปิดเครื่องหมายคําพูดไม่ได้บอกว่ายืนอยู่ให้กําหนดว่ายืน นั่งอยู่ให้กำหนดว่านั่งเดินอยู่ให้กำหนดว่าเดินเครื่องหมายคำพูดเปิดภิสุทั้งหลายเมื่อก้าวไปก็รู้สึกเมื่อถอยหลังก็รู้สึกเมื่อคู้ก็รู้สึกเมื่อเหยียดก็รู้สึกให้รู้สึกพิกสุทั้งหลายเป็นสุขก็ให้รู้เป็นทุกข์ก็รู้เฉยๆก็รู้พิกสุทั้งหลายจิตมีราคะก็รู้จิตไม่มีราคะก็รู้จิตมีโทสะก็รู้จิตไม่มีโทสะก็รู้ปิดเครื่องหมายคาพูด เห็นไหมกิริยามีคำว่ารู้ทั้งสิ้นเลยฉะนั้นให้ลืมคำว่ากำหนดเสียกำหนดแปลว่าจดจ้องเพ่งจ้องข่มเอาไว้บังคับเอาไว้ควบคุมเอาไว้แทรกแซงลืมจ้ะแล้วปล่อยให้กายให้ใจเขาทางานอย่างที่เขาเป็นแล้วตามรู้ความเป็นจริงของเขาเราต้องการรู้ความเป็นจริงของกายของใจไม่ต้องไปบังคับกายบังคับใจนะ